เรื่องนี้ผมได้ฟังมาจากพ่อของผมเองเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยที่พ่อยังหนุ่มๆพ่อเล่า ว, ว่าในสมัยหนุ่มพ่อได้ไปติดสาวชื่อดาวที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งห่างจากหมู่บ้านของพ่อไปราวๆ3กิโลเมตรการเดินทางก็ต้องใช้รถจักรยานปั่นไปมาหาสู่กันส่วนมากจะเป็นพ่อที่ไปหาดาวบ่อยๆจนบางทีไปอยู่บ้านสาวจนค่ำมืดดึกเืินเพราะความกลัวที่กลับดึกนี่แหละ มันเลยเกิดเรื่องที่พ่อบอกว่าจำไปตนตายพ่อเล่า ว, ว่าคืนนั้นที่หมู่บ้านของดาวมีงานฉลองกระถิ่นมีการละเล่นต่างๆมากมายทั้งลิเกดนตรีลำวงวัดที่หมู่บ้านของดาวใหญ่พอสมควรจึงต้องจัดงานใหญ่หนุ่มอย่างพ่อมีหรือจะพลาดนานๆจะมีงานใ ห, ใหญ่แถวหมู่บ้านสักทีไม่ต้องปั่นจักรยานไปเหอะสิ่งสาคัญกว่านั้น คือการได้ไปเที่ยวกับดาวเส้นทางที่จะไปในหมู่บ้านของดาวนั้นมี2เส้นทางเส้นทางแรกเป็นทางหลักที่มีคนใช้เดินทางกันเป็นประจำจะไม่ค่อยเปลี่ยวมากเท่าไหร่มีบ้านคนอยู่เป็นระยะระยะส่วนอีกเส้นทางหนึ่งจะเป็นทางลัดสามารถลดระยะทางจากเส้นทางหลักได้ราวๆ1กิโลเมตรแต่เส้นทางนี้จะเปลี่ยวมากบ้านคนไม่ค่อยมีส่วนมากจะเป็นป่าเป็นสวนเดินทางตอนกลางคืนหากจําเป็น ขาจะต้องใช้เดินทางแค่ตอนกลางวันเท่านั้นจึงไม่ค่อยมีคนใช้เส้นทางสักเท่าไหร่ในตอนกลางคืนพ่อกับดาวพากันเที่ยวงานกันเพลินที่วัดจนเกือบเที่ยงคืนจึงได้พากันกลับบ้านพ่อไปส่งดาวที่บ้านก่อนแล้วจึงปั่นจักรยานกลับบ้านซึ่งขากลับพอเลือกเส้นทางลัดเพราะมันจะได้ไปถึงบ้านไวหน่อยอีกอย่างพ่อไม่ใช่คนที่จะกลัวอะไรง่ายๆก็เลยกลับทางลัดคืนนั้น เป็นคืนที่เดือนสว่างจ้าพอจะมองเห็นข้างทางบ้างระหว่างที่ปั่นจกักรยานอยู่นั้นพ่อดันเกิดปวดท้องฉี่ขึ้นมากลางทางเลยแวะจอดข้างทางเพื่อจะฉี่ตรงจุดที่พ่อฉี่นั้นจะมีต้นขนุนต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งมองลงไปข้างทางเป็นสวนกล้วยและมีทางเดินเล็กๆ เ, เ, เพื่อเข้าสวนกล้วยจะมีห้างเล็กๆ เ, เอาไว้สำหรับแล่ใบกล้วยที่ตัดมาเพื่อเอามาพับและมัดพ่อยืนฉี่จนเกือบจะเสร็จ สายตาก็มองไปทางห้างนั้นเห็นเงาดำๆเหมือนคนที่นั่งอยู่ในห้างนั้นระยะจากจุดที่พ่อยืนอยู่กับห้างนั้นจะห่างประมาณ15เมตรพ่อเพ่งมองดูให้แน่ใจก็เห็นว่าเป็นเงาคนแน่ๆเลยสงสัยว่าใครมานั่งอะไรดึกดื่นป่านนี้หรือจะเป็นคนที่ออกล่านกล่าหนูจึงไม่คิดอะไรพอทําท่าคล่อมจักรายานเตรียมจะปั่นออกมา เพียงเวลาไม่ถึง5้าวินาทีพ่อหันไปข้างหลังต้องสะดุ้งเพราะเงาที่พ่อเห็นในห้างมายืนอยู่ข้างหลังพ่อห่างราวๆห้เมตรแต่ที่ทําให้พ่อต้องหลอนสุดขีดถึงขนาดว่าคนที่ไม่กลัวอะไรอย่างพ่อต้องหน้าซีดขาสันเหงื่อแตกพลักเพราะร่างที่เห็นนั้นเป็นร่างผู้ชายใส่เสื้อสีขาวมนันมันร่างมีเลือดท่วมตัวและที่สําคัญที่หัวของผู้ชายคนนั้นแหว่งเหมือนถูกฟันเฉียงแบบสะพายเล่ง พ่อเห็นดังนั้นก็กระโดดขึ้นคล่อมจักรยานปั่นย้อนกลับไปทางวัดเพราะออกมาจากวัดยังไม่ไกลมากพ่อปั่นไปได้สัก50เมตรก็รู้สึกว่ารถมันหนักๆพอหันกลับไปมองผู้ชายคนนั้นเกาะท้ายรถจักรยานมาด้วยเกาะมาในลักษณะเหมือนคนถูกลากอะไรประมาณนี้ถึงตอนนั้นพ่อสติแตกแล้วทิ้งรถจักรยานวิ่งอ้าววิ่งไปนานแค่ไหนไม่รู้จนถึงวัดพอถึงวัด พ่อวิ่งตรงไปหาสุ้มดอกไม้ทูบเทียนสําหรับไหว้พระพ่อนั่งตัวสั่นแบบนั้นจนคนที่จัดดอกไม้ในซุ้มมาถามพ่อก็ไม่ได้ตอบอะไรจุหลวงพ่อเจ้าวาดมาเห็นเลยถามพ่อพอได้สติจึงเล่าเรื่องให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อได้ฟังจึงพูดว่าที่ตรงนั้นเคยมีคนถูกฆ่าตายถูกฟันหัวแล้วออศพมาทิ้งไว้ในห้างนั้นพ่อเจ้าของสวนกล้วยลู้ข่าวก็ประกาศขายสวนเลยแต่ก็ไม่มีใครมาซื้อ กลายเป็นสวนกล้วยร้างไปเลยและนี่ก็คือประสบการณ์หลอนของพ่อที่ได้เล่าให้ผมฟัง